นี่แล น, ะพนาพนากัยเมื่อพอจะเข้าสู่ครันปพระมารดาขั้นตนนันับพระมารดาได้นอนหลับเกิดมหัดสจจะนิมิตวันขึ้นมาว่า ส ง, งดสัดอัดสจัลแม่จอมควันนอนหลับอยู่กับทีพร้อมไปดูไหวพาดสวาซึ่งสามีเจ้าเทวีกอนิมิตฝันนั่นขึนมา อ, องหนึ่งหอจากดาวว่าดึงเราเบื้องบนนับทางนาได้ลงมานิมนวนอันนงยืนทร ม, มารององหนึ่งให้มานางก็รับไว้ด้วยใจเปลี่ยปลีเราสุดแสนยินดีเป็นนักเป็นนางนั่นนางาเฝ้าเ่ยชมนันิยมแหวนน้อยงามท่าเพชรลพลอยเรวแพลว่าควาวตา ใจสั่นลู่มือของจอมฝันก็เที่ยวไฝ ฟ, ฟ้าปากก็ร้องเรียกสวามีตื่นขึ้นเสียทีเถิดฝันชีวาแล้วน้องก็เล่าในเขาความฝันด้วยอกใจสั่นจนตลอดมาสามีก็ทายจำนายชมตรู่ดังที พอลัวกันไปตามประสาในวันนั้นว่างนันได้บุรชาหนาที่มีร่างกายงามโสพางหนาเป็นที่มีกุศลนะอันพ่มพูนจะได้แทนกุศแล้วต่อไปภายหนาจะได้บวชเลี้ยแล้วตามพุทธถ้าองค์หนากุศละสูงส่งแล้วดังเจดตันาเมื่อน้องได้ฟัง จะได้บูชายดีใจหนักหนาณคนนับแต่นอนทันมันดอนก็เริ่มตั้งอุท้อนอ่อนๆเอนเลยมาณธาตท่านผู้ฟางเรามีจิตเมตตาเปิดฟังอีกหน้าฟังตอนตอ่